เนขมะสังกัปปะอพยาบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกออกเป็นระดับโลกิยาและระดับโลกุตระดังนี้ในมหาจตารีสกสสตรมัชฌิมนิกายอุปริป น, นารมีปุทุพท์ว่าภิกษุทั้งหลาย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 แง่ถูกกระทบซึ่งตรงข้ามกับเมตตามิจฉาสังกปะอย่างที่สามวิหิงสาสังกปะหรือวิหิงสาวิตกคือความนําริในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายค่มเหงตัดรอนและทำลายอยากไปกระทบกระทั่งรกรานผู้อื่นอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่จะไปกระทบ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 องประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนต่อไปในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนสิการจึงมีความดำริตริตรึกนึกคิดซึ่งปลอดโปร่งเป็นอิสระปราศจากความเอ็นเอียงทั้งในทางผูกติดและในทางผลักขัดตรงข้างกับมิจฉาสังกับปะเรียกว่าสัมมาสังกับปะมีสามอย่างเช่นเดียวกันคือหนึ่งเนคขมะสังกัปะ